ขอนอบน้อมแด่พระพุทธมีพระภาคเจ้าอารหันตะสมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นก็ได้มาเจอกายาโยมที่วัดไกลกังวลเขาสะัดดีสี่เจริญธรรมวันนี้มาเจอกายาโยมนี่ก็ มีความดีใจนะดีใจว่ายังมีผู้ปฏิบัติซึ่งก็น้อมนำไปสู่เทวโลกสมบัติและนิพพานสมบัติเป็นคารวะปัจจัยของพวกเราเราชาวพุทธเราตั้งอยู่ ในใจที่มาแต่งใจให้เป็นพระนี่แหละเป็นประคุณอันยิ่งใหญ่เรื่องสมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่นานไปสู่ซึ่งมักมักผลพระนิพพานแล้วเราก็จะเดินตาม แห่งรอยเท้าของพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกทุกคนนี่จึงเรียกว่าเราจะให้เข้าถึงสัมมาปฏิบัติเมื่อเรามีการฝึกหัดอยู่ในการจิตใจสงบแล้วทำนี้ก็เราก็จะถึง แห่งเข้ามักพลนได้ <c oughs> ถ้าเราไม่ทำการมักพลนนี่ก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะของดีๆมีอยู่ที่เราแล้วความไม่โลภความไม่โกรธก็มีอยู่แล้วความโลภโกรธก็มีอยู่แต่เรา เราขอคุณพระพุทธประธรรมประสงค์ขอกรรมฐานแล้วเราก็เจริญพระกรรมฐานตั้งแต่ผมคนเล็บปันนั่งนี่กรรมฐานห้าจึงพยายามทำให้ปรากฏทำความรู้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจ พระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ที่ใจของนักปฏิบัติเ <c oughs> <c oughs> มื่อตั้งอยู่อย่างนีเป็นอารมณ์แล้วเมื่อจิตของเราสงบดีแล้วเมือม่อไอม่หวนทา เครื่องวงปฏิปักษ์กับวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาเราพยายามทำไปเมื่อจิตสงบลงเมื่อไรแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงที่เราปฏิบัติขอให้ญาติยมของเรา มีเพียรมีมันให้มากแล้วสมาธิความสงบก็จะเกิดขึ้นกระยติโยงจริงเียว่าเราเป็นคนชาวพุทธนั่งพระกรรมฐานเราทำสมาธิไวลวที่นี้เราหลับตาลงทำความรู้เห็น องค์พระสมาธิที่กายใจของเราเ <c oughs> มื่อใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้ใจนี่สงบดีความรู้ความเห็นเราไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้น เราไม่เคยเห็นก็จะเห็นขึ้นเพราะจิตสงบเพราะพยายามทำให้ใจนี่ระลึกอยู่กับองค์พระสมาธิที่เราทำไว้ใช้มองรู้เห็นใช้มองรู้เห็นทำความรู้ให้มากแล้วทำก็จะได้เกิด ปัญญายานก็จะได้มีขึ้นกับเราเพราะครั้งนี้เราซึ่งจะเจริญพระกรรมฐานภาวนามือธรรมะนี่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมปริติสมาธิเกิดขึ้นแล้วเราไม่เคยรู้เราก็จะรู้ขึ้นเราไม่เคยเห็นก็จะเห็นขึ้น บางคนจิตในมู่เป็นสมาธิแล้วสงบเลิกคิดเลิกนึกจิตในสงบลงไป <c oughs> บางคนจิตสงบแล้วเลิกคิดเลิกนึกสว่างขึ้นก็มีกปฏิบัติ กระแสไฟฟ้าด้วยการทุกคนแล้วจึงพยายามทาให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วจิตนี้จะรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นจึงเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติผู้มีฝึก ัดใหม่เราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นบัดนี้เราก็มีความรู้ความเหตุขึ้นแล้วนักปฏิบัติจะตื่นตัวตรงนี้แหละเพราะมืออันนี้อัตมาขอแนะนำในการเรื่องรักษาสินรับรับสินแล้ว ที่มีฝึกสมาธิให้เกิดอัตม น, นันนำโยมจะได้มีความรู้โยมจะได้มีความเห็นขึ้นมื่อมีความรู้ความเห็นสบายกายสบายใจขึ้นโยมก็จะมีศรัทธาขึ้นที่นี้เขาจะบวชที่ไหนโยมก็จะต้องไปที่นั่น เพราะมีทางที่สนใจเพราะมีธรรมเป็นเครื่องระงับทุกข์จริงๆเพราะอันนี้ะขอให้ญาติโยมงเราพยายามสร้างศรัทธาของตัวเองให้เกิดให้มีขึ้นได้ได้เพราะเรามาเกิดในศาสนาของสมาสพพุทธเจ้าอั น, นว่าเหมาะสมแล้ว ทีน่นี่ที่มาปฏิบัติทาจิตใจจะทำให้พระไกรปิฎกที่หูตาจมูกกลินใจของพกโยมนี่พระไกรปิฎกอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปอยู่ในหัวปึงหัวกระดาษนะพระไกรปิฎกอยู่ที่ตาที่หูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละ พระไกรปิฎกนี่นี่กำลังสร้างเพื่อจะให้เข้าถึงพระไกรปิฎกพระพระไกรปิฎกอยู่ที่กายใจของเรานี่แหละฝึกแฝึกสมาธิให้มากเมือ่อจิตนี้เป็นสมาธิจริงๆแล้ว ย่อมรู้ความเป็นจริงเมื่อเรารู้ความเป็นจริงแล้วจึงเรียกว่าเป็นผู้เข้าถึงภาษาศาสนาของสมมาสัมพุทธเจ้าคือคำสอนของพระองค์นี่แล้วก็เราก็จะได้ได้มีศรัทธาอันแรงกล้าขึ้นเพราะเรา ปฏิบัติไม่มีความรู้มันไม่มีความเห็นศรัทธาก็ไม่แรงกล้าขึ้นได้เพราะอั น, นี้พระส่งที่ท่านปฏิบัติแล้วมาแนะนำโยมกันแล้วยมได้ละทางบ้านช่องมาปฏิบัติกันในวันหนึ่งคืนหนึ่ง ในที่นี้บวดกันตั้งสาวันแล้วที่อยู่กันเป็นรอยวันพันวันสู้ในสาวันนี้ไม่ได้เพราะมีผลมากกักันจะทำบุญแทาไรๆก็สู้ฟูน่งสมาธิไม่ได้ วันนี้เท่าก็มาต่อสมาธิกับพระพิสุทรงที่กำลังนั่งอยู่กรงหน้าของญาติโยมทุกคนเพื่อพระองค์ในนัข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดปายสิงภัยอันตรายความโลภ ก, กฎลงที่มีอยู่ในตัวเราของเรา ถ้าสิ่งเหล่านี้มันดับไปจะได้โยมก็จะรู้ขึ้นที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นได้ที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นขึ้นได้ปัตตังก็จะรู้เฉพาะตนก็จะเกิดขึ้นมากระยมได้ <c oughs> เมื่อเกิดขึ้นแล้วโยมก็จะมีความรู้ว่าอ๋อพระท่านปฏิบัติกันอย่างนี้ ท่านคงจะรู้ท่านคงจะเห็นกันอย่างนี้อย่างนี้จึงเรียกว่ามาหากรุณาเกิดขึ้นกับเราแล้วโยมพลาในหนได้เสียสละมาแล้วตั้งใจให้ดีมีขันติความอดทนให้มากเพราะเรานั้นนานได้มา แล้วกลับไปบ้านแล้วพยายามสร้างสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นให้จงได้เมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วยอมจะรู้ความเป็นจริงสวรรค์สมบัติอยู่ที่ไหนพระนใรนผ่านสมบัติก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละสวรรค์สมบัติก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละขอ ให้อญาติโยมสร้างปีติปีติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ปีติในลมหายใจออกกำหนดรู้เมื่อปีติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ปีติในลมหายใจออกกำหนดรู้เมื่อปีติใ้เกิดขึ้นแล้วกายของโยมจะเบา จะเบาขึ้นนี่แหละคือปิติสมาธิเกิดขึ้นแล้วยมก็พยายามมณสิการให้มากขึ้นแล้วจะนั่งสักเท่าไหร่ก็ได้ไงจึงเรียกว่าปิติสมาธิเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติแล้วไงพึงให้รู้เถิดว่าอาตมาเป็นผู้นําเป็นผู้นํา ให้รู้จักอง์ธรรมสมาธิจะได้เกิดขึ้นกัะญาติโยมปิติสมาธินี่เกิดขึ้นบางครั้งสงบมีกายเย็นกายเบาวางจากอารมณ์ความวางจากความโกรธวางจากความหลงแล้วจึงเรียกว่า เป็นผู้ปีติสมาธิเราอยาบยังให้เกิดขึ้นแล้วถ้ายมเกิดเกิดจะต้องรู้ที่อาตมากล่าวไปเนี่ยจริงว่าเป็นผู้นำนำกระแสสมาธิให้เกิดขึ้นขยันยมทุกทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยเท่ากับว่าต่อมาต่อสมาธิแล้วแนะนำ สมาธิมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้แล้วโยมก็จะได้รู้เมื่อยอมรู้แล้วโยมก็จะต้องมีเพียรมีมันให้มากขึ้นสติส ม, มัญทัญะก็ดีขึ้นดีในลมหายใจเข้าดีในลมหายใจออกเงี่ยจึงเรียกว่าทมนี่แหละทมเครื่องมาปิติเนี่ย สร้างให้เกิดให้มีให้ให้ปรากฏให้ได้เมื่อสร้างสมาธิขึ้นแล้วเนี่ยบางคนก็สบายกายสบายใจบางคน ก็กายเบาใจเบาก็สว่างขึ้นพึงให้รู้จักว่าในจิตเข้าพวังแล้วหมดความคิดหมดความนึกวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ว่านี่เป็นธรรมปีติเกิดขึ้นกระาวแล้วเนีไ่ได้เหมาะสมตามที่เจริญพระกรมกรมฐานภาวนาที่ขอกรรมฐานนั่นแหละ เข้าไปนั่งกำังทานกลงนั้นเลยใช้ได้เลยนใช้ได้ไม่ต้องสงสัยเมื่อสงสัยก็มาถามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะได้แนะนําให้เราจะได้หมดความสงสัยเราจะได้สบายกายสบายใจ ย, ยิ่งขึ้น มีแหละที่สอนเนี่ยสอนในเบื้องต้นคือฝกสมาธิจะสอนไปอย่างอื่นมันก็ไม่ได้เพราะต้องใจต้องการให้ยอมรู้ที่กุงนี้เมืมม่อยอมรู้ที่กุงนี้ศรัทธามันจะได้เกิดมากขึ้นทีนี้เมื่อศรัทธาไม่ดีแล้ว เขาบวชที่ไหนเราจะไปที่นั่นบวชที่วัดโน้นก็จะไปที่วัดโน้นนี่เพราะเหมือนว่าเป็นผู้เรียนกระถากระถานี้เป็นเครื่องป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นกับเราที่นี้ม่จิตใจของเรามีเทวธรรมเกิดขึ้นแล้วเปรตก็ดับ สัตว์ริชาญก็ดับนรกก็ดับนั่นหนละเป็นผู้จะรู้ธรรมเห็นธรรมรู้ความเป็นจริงขึ้นมาเราควรส่งใจไว้ให้มากเพราะถ้าเราไม่ ท, ทำอย่างนี้ก็เดี๋ยวแตกดับจะเสียทีจะเสียทีมาเกิดในมนุษย์ เพราะชาณจิตจิตนี้ได้ชาญแล้วย่อมจะนำมาซึ่งความสุขให้กับผู้ปฏิบัติหมดความสงสัยว่าก็จะรู้เรื่องของพระอริยเจ้าขึ้นว่าคนนี้จะไปเป็นพระอริยเจ้าก็คือความชั่วมันดับไปหมดนั่นแหละความดีก็จะเกิดขึ้นกระเอา ที่ความไม่รู้ไม่ไม่มีขึ้นกับเราเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละจึงเรียกว่าเทวธรรมเกิดกับผู้ปฏิบัติทีนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็รักษาสิ่งห้าไว้เป็นทัศฐานเป็นหมุนพระกรรมฐานเป็นอุ ป, ปมาเหมือนข้ากลา้า ที่นำดีเกลนดียอมออกผลให้กับคนชาวนาได้ฉันใดสิ่งนหาในบริสุทธิ์แล้วยอมจะนำเอาพระโสดามาให้เกิดในใจของเราได้เ <c oughs> มื่อโซดาเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจของเราแล้วผู้นั้นก็ธรรมปีติก็เกิดขึ้นอยู่ไม่ขาดสายจึงเรียกว่า ทมภาวนามัดผลเกิดขึ้นกับเราแล้วนี่ทีนี้จะไม่มีความเบื่อหน่ายในธรรมคำสั่งสอนของสมมาสมพุทธเจ้ายึงผูนซึ่งความสงบให้มากขึ้นนี่ซึ่งเรียกว่าทมนี้พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้เจริญนี่ก็จะผู้ปฏิบัตินี่แหละ ผู้เจริญธรรมะเอาไว้ที่ใจได้จึงเรียกว่ากระแสนี้เป็นกระแสธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะของดีอยู่ในกายใจของเราแล้วความไม่โลภไม่โกรธมีอยู่แล้วแต่เรายังไม่ได้ทำขึ้นเท่านั้นเองถ้าทำขึ้นแล้วก็จะเกิดกริรยาโยมโดยฉับพลันทีเดียวนี่ เรามานั่งเอาบุญเราก็เห็นนั่งในสุขก็มีทุกข์ก็มีทุกข์ก็รู้สุขเกิดขึ้นก็รู้ทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราจะทำไงพิจารณาซะก่อนทุกนี้เป็นของทนได้ยากแต่เราพิจารณาอย่างนี้แล้ว เราก็เปลี่ยนอิริยาบถที่เรานั่งขัดสมาธิเราก็นั प प ่งผับเพียบสทุกนั่นจะดับไปเลยในอิริยาบถนี้สุขก็จะเกิดในอิริยาบถนี य, ้แล้วก็นั่งสบายกายสบายใจไปอีก ไปนานๆขึ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกแล้วแล้วก็พิจารณาทุกนี้ของทนได้ยากเราก็เปลี่ยนอิริยาบถอีกสุขก็เกิดขึ้นในอิริยาบถนี้อีกนี่นักปฏิบัติไม่มีความรู้อย่างนี้แล้วหนักขึ้นฌานจิตฌานไม่เกิดไม่ได้ต้องเกิด เมือ่อฌานเกิดขึ้นแล้วย่อมสงบกายเบาจิตเบาสุขก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัตินี่นิ่นหะนักเข้าก็จะรู้ว่าสุขนี่ก็ไม่เที่ยงทุกข์นี่ก็ไม่เที่ยงแล้วอาศัยว่าอิริยาบถีเนี่ยเป็นอย่างไรที่พระองค์ทรงแนะนำ ให้ปฏิบัติในปฏิปทานสี่เนี่ยเพราะในปฏิปทานสี่เนี่ยปฏิบัติเพื่อดับทุกเนี่ยปฏิบัติเพื่อดับทุกเราก็จะรู้ขึ้นความเป็นจริงพระโอพระองค์ให้ปฏิบัติเพื่อความดับทุกทีนี้ก็จะรู้นะักเขา้นะเขาหนัก้า ไอ้นี่แหละพิทุกไม่มีใครรู้เนี่ยอิริยาบถเนี่ยมันปิดบังอิริยาบถเนี่ยมันปิดบังนึกว่าไม่เจ็บไม่ใครก็นึกว่าสบายนี่พอเรามารู้เนี่ยปฏิปทานสีเข้าจริงๆแล้วจะเบื่อหนายจะนิพพิธายานควาหนายซึ่งมีเรื่องทุกเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นขันห้าเป็นอย่างนี้ พระองค์นะ น, นำให้พวกเราเห็นเมื่อเห็นแล้วเราจะได้ลาได้ลาคันห้าสทีคันห้านี่แหละเป็นตัวทุกข์นี่และผลผลของตัวโลภกดลงที่เราได้ได้รู้ได้เห็นกันอยู่นี่แหละทีนี้เมื่อเราปฏิบัติรู้แจ้งเห็นทมความเป็นจริง แล้วที่นี่ยมก็มันมีเพียรมีมั่นขึ้นสามารถจะไปบรรลุธรรมในทุ่งไร่ทุ่งนาก็ได้อาการลีโกไม่ต้องเลือกการเวลาถ้าร้มมีการกระทำอยู่สามารถว่าจะบรรลุธรรมะของพระริจ้าได้อย่างแน่นอนเท่ากระทำอยู่นี่ขอให้โยมนิธรรมทุกคน พุทธลาธรรมาเนี่ยมีสุขทุกข์คือขันห้าที่นี้ที่เราปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะลาขันห้ากันสทีเนี่ยจงเรียกว่าเป็นผู้หน่วยพัฒนาถาง จ, จิตใจให้รู้แจ้งความเป็นจริงเราจะได้รู้ว่าที่นี้อยู่บ้านเราก็ทำได้ เราก็มิผู้ไม่วางบุญเนี่ยบุญยาพิสังขารบุญนิสก์นั่งตรงนี้ก็เป็นบุญนั่งที่นั่นก็เป็นบุญเดินกรงนี้ก็เป็นบุญพอรู้จักธรรมะจริงๆเท่านั้นนี่ไม่มีเงินก็อาบุญได้นี่แล้วจะมีเงินสักเท่าไหร่นี่ทำ ก็ยังไม่เห็นบุญเท่ากับผู้ฝึกสมาธิเ mm. นี่ยนะเป็นผู้ฝึกสมาธินี่แหละจะรู้ความเป็นจริงได้จะหายพอตัวงโง่มันออกไปสถทนั้นตัวงโง่มันดับไปท น, นัความฉลาดมันจะเกิดขึ้นมาเลย mm. ที่นี้เมื่อรื่มมีเทวธรรมเกิดขึ้นในใจแล้วเวลาเราจะแตกดับถึงที่สุดจริงๆจะต้องละโลกนี่แน่เทวธรรมนี่จะเกิดขึ้นขึ้นเฉพาะหน้าเมื่อเห็นเทวธรรมก็แลบมลูพวกพยายมเขาก็จะไม่ไม่มาปรากฏตัวได้ เพราะเทวโลกปรากฏสแล้วเป็นผู้ชื่นชมยินดีเพราะเราได้ฝึกหัดธรรมะของพระองค์ไว้แล้วที่นี้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วที่นี้ยังมีอะไรอีกเปรตก็ไม่ปรากฏนรกก็ไม่ปรากฏสัตว์ดเดรัจฉานก็ไม่เกิดแล้วพวกนี้มันดับไปหมดแล้ว คืงเรียกว่าเห็นรูปนามเกิดดับรู้ความเป็นจริงแล้วทีนี้ผู้นั้นก็มีธรรมปีติในของพระองค์อยู่ไหมคะทรายใจก็เจริญขึ้นยังเป็นผู้มีใจหลุดพ้นนี่เพราะมีใจหลุดพ้นเท่านั้นแหละ ศรัทธาก็แรงกล้าขึ้นมาได้ที่นีเมืดมือเราแยบยังอยู่ในความสงบอยู่แล้วสงบ ก, ก็รู้ไม่สงบ ก, ก็รู้สงบ ก, ก็รู้ไม่สงบ ก, ก็รู้แล้วทางกายเนี่ย เราเปลี่ยนอิริยาบถไว้เราก็หยับยังให้ตื่นในอิริยาบถนี้นักเข้าก็จะเข้าถึงความสงบอยู่เสมอกายก็สงบใจก็สงบกายก็ปัสสติใจก็ปัสสติเอาละนักปฏิบัติรู้ความเป็นจริงแล้วทีนี้ จะรู้ว่าพระองค์นีรก็แส่ของพระองค์ไปแบบนี้เองนี่ก็รู้ขึ้นมาทันทีผ <c oughs> ู้ ร, รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละทำให้มีขึ้นในเรา ใจที่จะไม่สงบได้ก็เพราะเมื่อยปวดนี่แหละใจจะสงบไม่ได้เปลี่ยนที่เปลี่ยนอิริยาบถซะกายก็จะสงบขึ้นทีเดียวทีน่นีใจก็จะสงบขึ้นได้ที่ีีกายมเมื่อยไม่ปวดวิ่งแต่ใจฟุ้งซ่าน นี่แหละนิวรณห้าล่ะอุตจักระใจฟุง้งซานไม่อยากจะนั่งสมาธินี่แหละตัวนิวรณเมื่อเกิดอย่างนี้แล้วเราก็ระลึกถึงพระองค์ขึ้นพระองค์เป็นผู้ทำจริงจ้า มีว่อนฮาก็คือตัวกิเลสนี่เองตัวนี้ไม่บุญไม่บาปก็ไม่อยู่ที่เรานี่แหละไม่บุญไม่บาปนี้ก็อภัยกิริษนะความไม่โปร่งแพร่รสดใส ผู้เบบานนี่แหละทำให้หมีขึ้นในเราใจที่จะไม่สงบได้ก็เพราะเมื่อยปวดนี่แหละใจยอะสงบไม่ได้ เปลี่ยนที่เปลี่ยนอิริยาบถซะกายก็จะสงบพื้นที่เดียวที่นีใจก็จะสงบขึ้นได้ที่มีกายไม่เมืม่อยไม่ปวดวินงแต่ใจฟุง้งซ่านนี่แหละนิวนหา้าอุทธะใจาฟุง้งซ่านไม่อยากจะนั่งสมาธิ นี่แหละตัวนิวรณ์เมื่อเกิดอย่างีแล้วเราก็ระลึกถึงพระองค์ขึ้นพระองค์เป็นผู้ทำซึ่งจากนิวรณ์ห้าก็คือตัวกิเลสนี่เองตัวนม่ไม่ดินไม่บาก ก็มีอยู่ที่เรานี้แหละในบุญในบาปนี้ก็อภัยกรตินะความไม่โปร่งแปร่ทุกไว ลมองที่วางคิวมองที่วางคิวเนี่ยตรงเี้นแหงในรถจะจะสว่างขึ้นที่ตรงนี้เลย นึกว่าที่มานั่งก็มาทานกับพระเมีย่ยนึกว่าพระท่านมาแนะนำเราอยากให้เราได้ธรรมะเนี่ยเลิกจะเบือหนายเลยท น, นเอถอะทนเอาที่ท่านไม่เลิกเราก็ไม่เลิก อันี้พาให้ได้เร็วพาให้ได้กรรมฐ า, านเร็วเปลี่ยนอิรยาบถอิรยาบททนเอามันจะได้ทุกจะได้ดับเราจะนั่งสัทไาร่ยก็ได้เธอใจไม่คงสา้านเราก็เปลี่ยนอิรยาบตไว้นี่แหละจึงเรียกว่า คนเชื่อพระพุทธเจ้าย่อมจะเป็นพระอริยเจ้าในปัจจุบันนี้แหละคนที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องไกลไกลพระอริยเจ้ า, จานี่อัตโนมาโกตนของตนเป็นทีพพึ่งพวกนักปฏิบัตินี่แหละจะทำตนให้เป็นทีพพึ่งนะ เวลาเราเจ็บค่ายจะตายที่ใครจะมาช่วยเราได้ไม่มีใครช่วยเราได้หรอกเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำไว้ใชเรียบร้อยก่อนทำใช้ดีก่อนเราจึงเรียกว่าเราเป็นผู้มีมีทำขั้นที่สุดในแห่งซึ่งกองทุกนี้ เมื่อเราก็าเปลี่ยนอิริยาบถนะใจก็จะสบายขึ้นอีกกายก็สบายขึ้นอีกเนี่ยม่ชาสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้ คนนี้พระสมาธิเกิดขึ้นโรคขยเจบนั่นก็จะหายไปได้นะโรคที่เคยไม่อยู่ก็จะหายไปได้เพราะอำนาจที่พระโอษฐ์เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติโรคนั้นจะหายไปได้ ผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นผู้อดทนมีอดมีทนแล้วจะถึงธรรมะง่ายเพราะธรรมะอยู่ที่ใจสุขกลไรไม่เกินพระไม่ผ่านถ้าเรามีความสุขอยู่ที่ใจแล้วไม่ผ่านได้อยู่ไกลที่ไหน ก็อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยนะโซดาก็อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแหละขอให้เรามีสิธรรมที่ดีเถอะสิ่เป็นปกติสมาธิพอสมควรก็จะได้ถึงแท้ความจริงๆนะสิ่ดีปฐมฌานเกิดขึ้นแล้วก็นี้แหลปะปฐมฌานนี่แหละเป็น องพระสดาเองอยู่ในภูมิของพระสดาเลยภูมิของพระสดาเป็นผู้เข้าออกอยู่เป็นหนึ่งหดึ่ก็คือปฐมฌานนี้แหละคอยท่านฝึกเถอะจึกท่านมากขึ้นเถอะแล้วทึงจะรู้เองปฐมฌานนี้เท่าได้จริงๆแล้วสามารถจะระลึกชาติได้ แล้วนะปฏิบัติเนี่ยพระธรมชาตนี่นะผ่านอยู่เสมอแต่มันอย่างไม่ค่อยได้มันเกิดแล้วมันเสริมซะมันเกิดแล้วมันเสริมซะเกิดแล้วมันก็ดับแต่ิีกแล้วเข้หาหม่ได้นี่เทําทำเพราะมันเข้าได้คลองแคล่ววงไวเป็นหน้าวาซี่แล้วก็นั่นนะคือที่อยู่ของพระสระุนะรธร ทำทำในใจไวมีทุกคนพูดว่าสมัยนี้ไม่วิขว่าได้มากพน้นหรอกมันไม่ได้เฉพาะคนไม่ทาคนทำมัต้องได้นี่คนทาเป็นผู้ได้อยู่แล้ว คือเราที่ทำกรรมฐานเนี้ยเราจะลาความแก่เราจะลาความเจ็บเราจะลาความตายลากันใ่ชาตินี้แหละผู้สนใจอยากกระฟนทุกเนี่ต้องลากันนี่กุศลาธรรมาเราต้องทำลาซึ่งความชั่วลาซึ่งความชั่ง เมื่เราลาความชั่วออกซะได้แล้วความดีก็ต้องเกิดขึ้นที่เราแนะนำอยู่นีก็อยากจะให้โยมได้อยากแกโยมถึงถึงสินถึงสมาธิถึงปัญญาแล้วเราก็จะได้รู้ความเป็นจริง อาตมาก็แนะนำโยมมาแค่นี้ก็การปึกสมาธินี้ขอให้ญาติโยมซึ่งอาตมาได้แนะนำหรือสั่งสอนโยมมาแล้วก็ขอให้โยมจดจำ เอาอารมณ์นิวัยวัยที่ใจจะลืมมีเพียรมีมั่นขึ้นโยมก็ได้เป็นผู้รู้ผู้ถึงในธรรมคำสอนของสมสัยสมพุทธเจ้าโยมก็จะได้หล่าจากความแก่หล่าจากความเจ็บความตายแล้วยมก็จะได้รู้ธทรรม เห็นธรรมความเป็นจริงในคำสอนของสมมาสัมพุทธเจ้าพระทรงสาากของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติจริงๆแล้วย่อมรู้ธรรมของพระองค์อย่างแน่นอนนี่ขอให้ท่านพยายามให้หมดความสงสัย ว่ามักพ้นนี้มีจริงเราลังมีเพียรนี้หมน่นขึ้นเมื่อขณะนอนนอนแล้วตื่นโยมจะเพิ่งตื่นตื่นแต่ใจก่อนแล้วพยายามดูให้ที่ใบหน้านะตรงวางคิ้วนะพอตื่นชับก็เข้าดูที่ใบหน้าเนี่ย ทุกครั้งทุกวันทุกคืนนี่จะนอนก็ต้องทำอย่างนี้นี่แหละที่พระองค์ได้แนะข้าพระเจ้าถึงแนวว่าเป็นที่พึ่งกาจัดภายสิ่งก็อยากให้โยมรู้ความจริงจริงแล้วยโยมก็จะได้รู้ทำเห็นทำจะได้ ทีเมื่อเมื่อรานั่งก็จะต้องมองที่กายแล้วนอนก็จะนอนดูที่กายที่พระเขาทําไว้ทุกทุกอิทุกภิริยาบทนะพระนอนก็มีพระนั่งสมาธิก็มีพระสะดุ้งมานก็มีเราที่ก็นั่งก็สะดุง้งเนี่เราก็พึงว่า เราก็ใช้คันเตะอดทนไว้เราก็รู้รู้ความเป็นจริงไว้สะดุ้งก็รู้รู้ความเป็นจริงไว้ทีนี้เมื่อขณะเราจะกราบพระไหว้พระเราจะใช้เหมาเหมาที่ศรษะของเราเมื่อขณะกราบเมือ่อนอนตัวไป กราบเราก็มองที่ศีรษะใช้เมาที่ศีรษะว่ายางีทุกๆุครั้งเราจะกราบพระเมื่อใดเราก็จะดูอย่างเงี่ยทุกครั้งเพื่อลูกตาจะพลิกไปทางข้างหลังได้แล้วจะได้ปรากฏกับธรรมะและเราก็จะได้เห็นเพราะเรื่องเห็นเนี่ยจะต้องทํา ให้เห็นใช้ลืมตาดูดูให้นานๆานจะดูมือก็ตามจะดูที่เราขัดสมาธิแล้วก็หลับตาพักทุกขรรมันทำขึ้นหนักขึ้นจะมีร่างปรากฏอยู่ถ้ามีอย่างนั้นปรากฏอยู่ยมทำบ่อยๆทำให้บ่อยๆลืมตาดูให้ ให้ น, น, หนานๆลึกหลับตาลงไปแล้วหนักนี่แหละพลึกในการให้ตาดีขึ้นมาให้ตาเห็นธรรมขึ้นมานี่ทั้งหลับตาและลืมตาแล้วจะได้ปรากฏของผู้ปฏิบัติเราจะได้หลาความแก่ความเจ็บควาตายกุศิที่เรายอมจะได้รู้ความเป็นจริงอัตมาซ่อน สอไว้แค่นี้ห ล, ละแล้วปัจจตางให้ยมรู้เองเห็นเองอีก น, นะใี้ฝากฝากธรรมะฝากธรรมของพระพุทธเจ้าไว้ด้วยจึงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยะส่งอยู่ที่ใจเมื่ออยู่ที่ใจจริงๆแล้วสามัคคธรรมะ จะเป็นพี่เลี้ยงและนังนมให้เราฉลาดได้อย่างแน่นอนอือออกจากสมาธิอตมาใช้มือมือคว้าลากลากให้ติดเขาให้ติดเขานี่หลับตาให้เห็นมือด้วยถ้าไม่เห็นมือใช้ทำความรู้สึกแล้วเป เอามือเนี่ยคว่มที่เข่าขวา่าทำความรู้เห็นสักกระเดี่ยวหนึง่งใช้มือซ้ายลากไปติดเขา่าติดข่าไปแล้วไปคว่ำไว้ทำสองข้างดูให้รู้ให้เห็ น, นไม่เห็นก็กำหนดรู้ว่้ มีเรื่องสอนในการรู้ในการเห็นในทำมุติติเมื่อเรารู้เห็นกว่ามเป็จริงแล้วทำมุติติก็จะเกิดขึ้นจะทาให้สำเร็จประโยชน์ในการฌานก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติได้ถ้าขาดมุติสแลมจะไม่สาเร็จได้เลยยกมือขึ้นซองข้างเนี่ย ทำความรู้เห็นมาพนมที่มือติดกันก็ที่หัวใจแล้วนั่งดูอยู่นานๆ น, นั่งดูอยู่นานๆถ้าไม่เห็นก็ความรู้สึกก็จะต้องมีต้องมีเราพนมไว้ที่ที่วางอกของเราสักกระเดียองแล้วที่แนะนาไปอย่างเงี้ยให้ไปทำที่บ้านนะ ให้ไปทำพิบ้านกลัวจะจบจะจบในการกระทำนี้ก็ไปตั้งตั้งห้านาทีสิบนาทีคงจะได้นี่บางครั้งจะสบายกายสบายใจไปถึงยี่สิบนาทีก็ได้ยกมือภาพวังคิวเลยให้เห็นมือของตัวเองไม่เห็นกำลังรู้สัมผัส นี่ออกจากสมาธิมีหัดในการรู้การเห็นแล้วจะไม่ต้องเชื่อใครเลยทนี่ธรรมะเขาเห็นําเน้นไม่ต้องเชื่อใครแล้วไม่ต้องไปถามใครเรารู้ขึ้นเองเราเห็นขึ้นเองเราปฏิบัติเพราะเป็นธรรมเคลื่อนกบจัดทุกข์ได้จริง เราห่มือไม่ยอมพอออกจากสมาธิห้างมือไหมนี่แหละที่เนี่ยเขาเรียกว่ากายก็เป็นสุขใจก็เป็นสุขกายเป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ในปฏิปทานสเนี่ยปฏิบัติให้รู้ความเป็นจริงเนี้ยแล้วนี่เมื่อทุกข์นี่มันดับไปจริงๆนะ กายก็ไปสุขใจก็ไปสุขจะไปเพียงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ได้เพราะมันเข้าทุงนี่แล้วี่นี้ผู้ปฏิบัติก็จะรู้ชัดเห็นชัดขึ้นเองทีนี้ไม่ต้องไม่ครูบาอาจารย์ไม่ต้องแครททำเองเพราะมันรู้เองเห็นเองขึ้นมา เพราะเรื่องเงี้ยฝากข้อคิดไวกระ ย, ยัดยงฝากความมั่ของสิ้นสมาธิปัญญาสิ้นสมาธิปัญญานี่หละเหมือนมือนผู้จะคำฝากจะต้องอาศัยเรือนี่จะต้องอาศัยเรือเราถึงจะพ้นทุกถึงจะคำฝากได้ ถ้าเราไปแบบกไว้น้ำไปเรือไม่มีภัยอันตรายของพวกเราจะมีมากพว ก, พวกเราจะต้องสินสมาธิปัญญานิ่นเหมือนเรือใหญ่ที่เราจะข้ามทะเลนี่ขอท่านเต็มใจปฏิบัติให้มากจะประมาทนี่เพราะพระองค์เนรคุณจะสร้างพระศาสนาให้เกิดขึ้นมาได้นี่ จะได้เป็นที่สบายกายสบายใจของพวกเรานะที่ไม่ได้หมาเนื้อมากกว่านี้เยอะยมที่หมาเนื้อเพเล็กน้อยนี่ที่อยู่ในบ้านนี่เยอะแยะนะกินไหมยมที่อยู่ในบ้านพิลึกอะทําหมาหมดนะฮนขา้าวสารพอดีก็ไม่มีอยู่นะทําหมหมดนะ ะที่มานี่อาตมาก็ดีใจนะดีใจว่ายมพยายามว่ามณสิการใส่ใจว่าจะไปสวรรค์จริงๆ จ, จะไปพระนิพพานจริงๆนี่ยังไม่ถึงก็เป็นคารวะปะจัจจัยนี่ถ้าหากว่าโยมจะเกิดในสวรรค์ที่ทำเนี่ยมันต้องเกิดในสวรรค์ แล้วพวกเราเนว่างศาสนาและเราจะต้องรักษาธรรมะเป็นขวัตปฏิบัติของพวกเทวดาแต่เรื่องสิ่งสมาธิปัญญาบนม น, น, นอีกนะพันปีที่สี่นะเป็นของเทวดานะแเดี๋ยวเราก็ไปคอยมน่นแล้มมปฏิบัติกับที่โน่นอีกแล้ว และเราจะมีพันปีที่สั่เนี่ยนะของพระส่งนี่ไหมนะมีพระส่งดึงนิมมธรรมตะก่อนพันปีที่สัมก็ไม่มีพิเศษไม่คยมีใครทำเท่าไหร่มีพันปีที่สั่งมีพระส่งนรักษาพระศาสนา เราจึงเล่นนำพวกญาติโยมคนขึ้นพวกเราเนี่ยเป็นผู้รักษาศาสนสาของพระองค์ในผ่นปนไปที่ซ้มเ่ยพระสดามิรเตือนนะจะไม่กวไม่มีนะเข้าไปไปสวรรค์กันเกลื่อนนะเพราะเพราะพวกเราได้สนใจยิ่งกว่าสดาจะไม่มี นี่ที่คนปฏิบัตินี่แหละพ ย, ยายามอาตมาขอยืนยันได้ว่าคนไหนปฏิบัติธรรมสิ้นบริสุทธิ์คนนั้นพระโซดาจะเกิดอยู่กับคนนั้นและเราเราก็รู้แล้วว่าจะต้องตายแน่เราก็เอาพระโซดาใส่ได้ก่อนไม่ดีกว่าทำสิ้นให้ดีเท่านั้นแหละียู่สิ่งน mm ี hmm. ้เราจะทำเทไม่ได้เนี่ย เพนละเวนมันก็นเป็นสิทธิ์แล้วแต่การที่ฝึกสมาธิเนี่ยต้องทําทําสมาธิเนี่ยมันจะได้รู้แจ่มขึ้นมานี่ยรูแจ่มนจนขึ้นมาแล้วเราก็จะได้รู้สถามัมนจะได้มี่อวันไวเนี่ยพระเดียดวงเกิด ข, ข, ข, ขึ้นแล้วเนี่ยเหมืนอนดวงพระจันทร์เกิดขึ้นแล้วนี่ เกิดขึ้นมาอยู่ในายใจของเราว่เราสว่างขึ้นยังไม่รู้อยูอยัว่าเราหลับตาเปลี่นมาสว่างขึ้นแล้วเราก็เปลี่ยนเรียนที่สอนบบนี้ไม่เลยเอาธรรมะมาแตกยกโยมของเราไมแล้วเนื้อโยมนีนะกุมประมาเหมือน ตะเกียงเรือเนี่ยทะมลนมากเลยขวานนี่มันเปืน้นเกลือเลยไฟมันก็ไม่ออกได้นะแล้วคนที่จะจะลามเก้าที่ตะเกียนเกียงตะเกียนเรือตะเกียนโคมอย่าไปเอาเช็ดข้างนอกนมันไม่สมว่างคนรักษาศีลไม่ได้ปฏิบัติเลยไม่ได้เข้าเวลาน้างใน เพราะมือสอบเข้าไปลามท้งไหนพาเช็ดเอานำชำระแล้วก็ปล่อยไฟลงปล่อยโคมไยลงไปแส่นอย่ไปไกลเลยในตัวของเราก็จะเป็นเช่นนั้นแหละีที่กรรกรองแล้วเนี่ย ยมอมจะนำให้เยมรูเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะจะได้ไปสั่งกัน ง, านงาน่ายๆนะจะได้เติมใจไปสักน้อนะทําทํา ย, ยอมว่ทํางงานอยู่นะ ได้แล้วมองดูมองจุดไงมีสมาธิมันเกิดแต่กายาาดาในขณะเที่ยวมันจะทำไดจันยาวนี มันรู้มันสว่างกว่านี้นะอย่างความสว่างในตัวเราของเรานี่มันอัศ จ, จ, จรรย์จริงๆนียไม่รู้ว่ามันจะขนาดไหนเลยอทำก็ฝ า, า, ากข้อคิดตัวด้วยนะ <c oughs> ว่าทำนิ่งไม่จริงอยู่ในตัวเรากระแสไฟฟ้าของเหาไม่แล้วมันจะช่วงโชบขึ้น มันก็มีอันสว่างสวัยคุณมิดีเพาสวามิมันมองมองก็ตายมันจะได้จะที่เกียนะีเกียจแบบมู้นไม่ไม่สวางขี้เก็ยนะขี้เก็อยอะตัวเนี้ยตัวร้าย ที่เกียเป็นกระยาํา่ลายให้เรือจมนะผู้ปฏิบัติยอมรู้ความเป็นจริงได้มันสว่างก็าต้องบอกว่าสว่างก่อนไม่เคยนะ้วเนี่ย จะรู้เอ a เห็นเองนะไม่ต้องมาเชื่อนั่นน่ะไม่ต้องมาเชืททาแล้วจะเ็ทไมเห็นก็ขี้เกียจนั่นะตัวขี้เกียจรุ่ันเอามันไปเอามันไปลอยน้ซะเอาไปทวงน้ซะอ่ <laughs> <laughs> ที่จะมาบอกเนี่ยนะฝากไว้ทุกคนนะฝากกระแซของพระท่า น, นอประทานมาให้นะมูลแก้วมณีอันสว่างสวัยควรดี